ออกจากโรงเรียนนะไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินยี่สิบเาต้องไปค้าขายนะขายลัตเตอรี่ขายน้นอทติมหลังก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปพอขายก็ไม่ค่อยได้เ ง, เ ง, เงินนเท่าไหร่นะพอโตขึ้นก็เรียบขยายไปค้าขายในที่กไกลๆเรียกว่าตะเวนตะเว น, อ เ, วนเอาของไปขายพอนี่ก็มี กระบะเก่าๆ ก, ก็ยืมรถพ่อไปเอาเสื้อผ้าไปขายตามหมู่บ้านต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นนเนนะ่ยหมู่บ้านบ้านเราเนี่ยเคยมีรถเก่าๆอ า, าของมาขายบางทีก็เป็นพวกเสื้อผ้าบางทีก็เป็นอุปกรณ์ของใช้ก็เอาไปขายนั่นแหละก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ สางเป็นอาลิขาพายมาสิ่กาปีแล้วในสกว่าก็ยังเรียกว่ายากจนอยู่เหมือนเดิมชักนำไม่ถึงหลังนะมีคนหนึ่งก็ขับรถตะเวนไปจนถึงพิชโนโลกาลกลางมันปิกตินะวิที์พิชโนโล ก, กจังหวัดติดกันไปพิชโนโลกก็ไปนีก็ต้องไปวัดมหาธาตุนะ ภารีรัฐน้ำหาดพลาไปกระกาศพระพุทธชินราชเนี่ยประกาศเนี่ยพระพจทธชินราชแล้วก็ขอรรพอรกตฐานขอให้ประสบโชคใช่แล้วก็ไปวัดเนะี่ยแล้วก็ไปค้าขายขับรถไปค้าขายตามเดิมก็วันนั้นก็ไม่เคยมีลูกค้าเลยลเนั่งพักเหนื่อยแต่ที่นั่งพักนี่ก็เห็นรถสามเลนรถสามเลนกลล็นกคือรถขนขยะนั่นแหละนะ ขับผ่านมาแล้วว่าคงจะหยุดครับนะตรงจุดเดียวกันจะเลยพูดคุสอบถามว่าไอ้ขยาที่เก็บเนี่ยนะเก็บที่ไหนเอาไปขายอย่างไรราคาเท่าไหร่แนะขยาอะไรบ้างที่ขายได้ราคาดีคุยไปคุยมาก็พบว่าเออขยานี่มันมีราคานะมันทํำรายได้เหมือนกันนะ กความคิดหนะเออเพรานั้นอยากตอ น, นั้นเลยนะเรามาขายขยะดีกว่า <c oughs> ขายขยะนะก็เก็บขยะนะรวบรวมขยะรวมทั้งของเก่าที่คนทิ้งเวละนะ้วนี่ยเพราะว่าของบางอย่างมันก็ยังพอใช้ได้นะแต่คนกระิ้งใหม่ๆเนี่ยนะไปขอขยะตามบ้านชาวบ้านก็เขาก็ไม่ให้นะไม่อยากจะเสียเวลาอย่ยวก็ต้องเอาอบายนะเอาใครเอาใครไก่ไ เอาเชื้อผ้านี่ไปแลกแมกขยะนะชาวบ้านก็เริ่มเอาขยะเอาของเก่ามามาให้แกก็เอาพวกนี้แหละไปขายขายก็บอกว่าขายได้รับคาแล้วบอกว่ายิ่งทำนะก็ยิ่งมีกาไรกิ่งไปก่เลยขยายนะกลางก็ออกรถได้นะลอยรถได้เป็นของตัวเอง แล้วก็ร้านก็ขยายนะจากผูหาเป็นสองผูหาด้านหลังก็มีสาขาเพราะว่าในส่วนการผลนตร่ำรวยตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศนี่นะกเจ็นร้อยสาขานะแล้วก็มีโรงงานมีไซสิลื่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็ทันสมัยที่สุดในเอเชียกลายเป็นเศรษฐีไม่รู้ร้อยล้านหรือพันล้านนะก็ขยาย ที่ตัดสินใจนะตายพิยานี่ก็เพราะว่าเห็นรถซาเล้งผ่านมาก่อนที่จะเห็นรถซาเล้งเนี่ยนะก็ไปอย่างที่บอกแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อจัชชินนท์ราชแล้วขอพรนะขอให้ได้มีโชคพอกว่าได้โชคจริงนะโชคที่ว่าคือว่านะมีรถซาเล้งผ่านมาแล้วก็เกิดความคิดว่าเป็นเราตายพิยาดีกว่า นนก้ก็เลยว่าหลวงพอ่อคือเซเราที่แท้ก็ศักด์สิทนะอยากได้โชคนี่ก็เจอโชคจริงๆ น, นะแต่ว่าโชคนี่มันไม่ใช่เป็นเงินทองไม่ใช่เป็นลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่งนะมั น, มนคือรถซาเล้งนะรถาเล้งที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจหลายคนเห็นแล้วก็เฉยๆนะแต่ว่ า, าผู้ชาวคนนี้ชื่อสมไทยนะสมไทยบุเจริญเนี่ยเจอรถซาเลงละนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเกิดความพิดขึ้นมานะแล้วก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ ชีวเปี่ยนแล้วตามมาเป็นเศรษฐีร่ำรวยเพราะเห็นลถขาเลงรถสายเลงนี่ก็เี่าเป็นโชคนะคนเราเนี่ยมักจะหาโชคนะอยากจะได้โชคอยากจะมีโชคไปหาโชคบางทีก็ดันด้นไปนะไปที่นั่นที่นี่เพื่อจะหาโชคที่จริงโชคเนี่ยบางทีก็มาหาเรานะแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันสังเกตเนะี่ยก็เราคิดว่าโชคนี่ต้องมาในรูปของรถโดนบ้าน ลอตเตอรีนะ่เงนินทองลาบใครมันไ้โชคประมาในรูปของลูกสารเล้ น, นี่แหละนะมาแล้วเนี่ยทําให้เกิดความคิดขึ้นม า, าวันนั้นถ้าไม่เห็นลรกสารเล้งเนี่ยก็คง ม, ม, มีความคิดนะว่าจะเป็นอาชีพมักหายที่อยากแล้วก็ชีวิตคงไม่กล า, ายเป็คนร่ำคนรวยพวกเราเนี่ยหลายคนก็านะทุกคนนะั้นนะอยากมีโชคนะอยากได้โชค อาจจะไม่เคยนึกเลยว่าจริงๆโชคมันมาหาเราเนะื้อที่เราไม่ได้ท่องไปถามมันแต่ว่าไม่คันสังเกตนะไม่รู้ว่านี่คือโชคเมือ่อสักหกปีก่อนเนี่ยมันมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะคือบริษัทไอทเอ็มนะขายคอมพิวเตอร์วันนีงก็มีผู้ชายเนี่ยเอาเอาเครื่องเครื่องนึ่งเนี่ยมามามาเสนอขายคิดว่าจะมา เราจะมาชวนให้ไอพเอมเนี่ยลองผลิกดูแล้วเขาจะได้ขายลิขิทเนี่ยไอเครื่องนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะมันคือเค่องอ่านสาเนาเครื่องอ่านสำเนาแต่ไออบอกว่าเฮ้ยใครก็จะอ่านสาเนากันนะปกติเวลาใครเวลาพิมพจเนี่ยถ้าต้องการก๊อปปี้เพิ่มมากขึ้นเขาก็เพียงแต่ เอากระดาษคาร์บอนเนี่ยอันะดไว้ข้างหลังพวกเราเคยมาติ้นทินดีนะทินดีเสร็จต้องการติ้นสองคัพเก็เอากระดัษคาร์บอนนะวางไว้ระหว่างกระดาษตากสองแผน่นติ้นหนึ่งก็ได้สองนะไอเลียร์ก็ไม่สนใจนะไอชายคนนี้ก็เลยนะเลยทาเองก็เลยนะผลิเตเองก็เลยนะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของบริษัีล็กลอกนะ สี่หลอกเนี่ยก็ว่าสี่หลอกเนี่ยเดี๋้เราเราใช้คําว่าอสมนะเงาเนี่ยเขาเชื่อไปสิ่หลอกในเอกสารนี้หน่อยนะ่ยเนี่ยที่มาเขาก็มาทำนี้แหละนะคือเขาไปเขาไปขายนะไอีเอ็นะไอพเอไม่สนใจนะ <c ười> เขาก็เลยไปทำเขาเองเลยเพราว่ารวยนะสี่หลอกกลายเป็นแบบที่ร่ารยาวยมาไอพีเอ็นเนี่ยนะมีโชคมาหาชนที่นนะแต่ว่าไม่เห็นว่านี่คือโชคเนะนี่ยายพีเอ็นะนี่รับเอาไว้นาฬานี้ก็ น, น, นั่นยิ่งมันนี่เองแต่คนเราเนี่ยมันมีโชคมาหาเราอยู่เรื่อยๆนะจริงแต่ว่าเราไม่รู้วนะ่านั่นคือโชคนะเพราะว่าหน้าตามบบนั้ไม่่าสวยนะมันอาจจะไม่หน้าไม่ชวนมองนะแต่ที่จริงมันเป็ น, นของดีนะนะอย่างาาร็อตาเล่นเนี่ยนะมันเป็นโชคสําหรับคุณสนะใจสนใจเลยนะนะล่ารวยได้เพราะว่าเล็นลร็อาเล่นนะแน่บางคนเลยว่า เพราแม่มันทิดฐานนะของหลวงพ่อพระสิณรัตน์นะหลวงพ่ออยากได้โชคนะก็มีโชคมาให้เห็นตอนหน้าต่อตายเลยแลแ้วแกก็รู้ทันทีว่าเนี่ยใช่เลยนะก็เลยอันเปลี่ยนชีวิตนะแล้วก็ร่ำรวยนะตอนนี้กลายเป็นคนเดงคนดีย แ, แล้วก็ย้อนไปคิดดูนะนะโชคมันอวาเรา วันนะแต่ว่าดีที่ว่าเราจะรู้ร เ, ปรเปล่าวัำเตือนลูกสาวว่านั่นคือ ข, ของดีคนส่วนให ญ, ญ่ต้องให้โชคผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ก็นนะเลยยังเหมือนเดิมนะเราก็ไปรับพอ